เอาน่ายอย่าซีเรียกเรื่องแก้พระวิวาทกันอยู่มาวันหนึ่งขณะที่พระเทพกวีหรือโต น่งเอกเนกนอกกุติท่านเห็นพระวัดระฆังสองรูปชี้หน้าด่ากันเสียงดังลั่นวัดท่านเจ้าคุณพระเทพกวีลุกเข้ากุติจัดดอกไม้ทูบเทียนใส่พานรีบเดินเข้าไปหาพระทั้งสองแล้วสุดตัวนั่งคุกเขา่าทำท่าถวายดอกไม้ทูบเทียนให้พระคู่นั้นแล้วอ้อนบอนฝากตัวว่า พ่อเจ้าประคุณพ่อจงคุ้มครองฉันด้วยฉันฝากตัวกับพ่อด้วยฉันเห็นจริงแล้วว่าพ่อเก่งเลือกเกินเก่งพอได้เก่งแท้ๆพ่อเจ้าประคุณครัวโตวฝากตัวด้วยพระทั้งคู่ก็เลยเลิกวิวาทมาคุกข่าวกราพระเทพกวี และท่านก็กราบตอบกราบกันไปกราบกันมาอยู่พักหนึ่งผลที่สุดพระวัดระคังคู่นี้เลิกเป็นปากเสียงกันทำให้พระลูกวัดอื่นๆไม่กล้าทะเลาะกันอีก